นาทิเมสารานังอันยังพุทธโธเมสารานังวะรังสาราณาอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณาอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจจาวเชนะ ว่าเธอยังสัตว์ทุศาสนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันธมาเนนายังปุญยังปะสุตังอิทา ข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ควรกวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตารายาเมมาเทสุงตัดสเาเตชะสาอันตารายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้น กายเยนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธกุกัมมังปกตังมยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปาติคันหตาตัวจัยยันตัง ขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอนั้นตการตะเรสังวริตุงบาพุเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไป